ประหยัดสื่อสัตมันกตันยูรู้วินัยสิ่งสําคัญอาบายมุกทุกวันต้องหนีไกลพันธกรรมสอนสั่งทงจําไว้แล้วนําไปปฏิบัติไม่คาสายค่าทําดีได้ทุกวันไม่คลอนคายคนทงางไล่ใจ ประหยัดสื่อสัตมันกะตันยูรู้วินัยสิ่งสำคัญอบายามุขทุกวันต้องหนีไกลท่านอาจารย์สอนสั่งจงจำไว้แล้วลํำไปปฏิบัติไม่คาสายถ้าทำดีได้ทุกวันไม่ก่อายคนทั้งหลายจะรักเราเพราะเรา ยัสื่อสัตว์มันกาตันอยูรู้วในสิ่งสําคัญอบายามุทุกวันต้องหนีไปท่านอาจารย์สอนสั่งจงจำไว้แล้วนําไปปฏิบัติไม่คาายถ้าทําดีได้ทุกวันไม่พอรายคนทั้งร้ายจะรักเรา